หนึ่งเดองจำกันสองต่ อ, อจนผู้พูดเอาคำสั่งคำสอนของพระตเจ้ามาพูดต่อไว้ก็ให้ไม่จบไม่ชื่นไม่สูญหายถ้าทั้งหลายก็เป็นผู้ฟัง มีผู้ฟังมีผู้พูดมีผู้ตามตามคำสอนของพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะเป็นกุศลควรทำเป็นอกุศลควรละให้ง่ายมีผู้บอกอกุศลคือสิ่งไม่ดีกุศลคือสิ่งดีทำถูกต้องเป็นประโยชน์ อาโกชนคือความร้ายถ้าทำก็เป็นโทษต่อตัวเองและคนอื่นแล้วก็มีอยู่ที่เรานี่โกศนมาเกิดได้อย่างไรอาโกลนมาเกิดได้อย่างไรนั้นมีอยู่ในเรานี้ กุศลเกิดขึ้นได้เพราะมีสติสชัญญารู้สึกตัวทั่วพร้อมให้กายใช้ใจอย่างถูกต้องแต่กุศลเกิดขึ้นเพราะขาดสติหลงให้กายใช้ใจไม่ถูกเอากายเอาใจมาเป็นทุกข์เอาสุขมาเป็นทุกข์เอาสุขมาเป็นโศก กระโดดโลดเต้นไปตามโศกตามทุกข์ษาษาทำเลยว่าเวทนาภาษาเราเลยว่าโศกว่าทุกข์ราก็โดดโลดเต้นไป <S <S เป็นตัวเป็นตนอยู่ในโศกในทุกข์เมื่อเป็นตัวเป็นตนอยู่ในโศกในทุกข์ก็มีการเกิดแกเสียตายถ้าเห็น <c oughs> มีจิติ ไม่เอาสุกทุกขว่าเป็นตัวเป็นตนไม่เอาสุกทุกขว่าเป็นตัวเป็นตนก็เป็นกระแสแห่งพระ น, นิพพานกะระแสไปแล้วทำพระนิพพานให้แจ้งเห็นไปแล้วต่างเก่าไม่เอาสุกทุกข์มาเป็นตัวเป็นตนว่าต่างเก่าค้นออกมา ได้นี่ก็คือเหตุประอยู่ที่นี่ไม่ยากถ้าจะเป็นของใช้ก็อยู่ในกระเป๋าอยู่ในยม่มจับมาใช้ได้ทันทีไม่ต้องไปขอใครขอยืมใครอ้อนวอนใครมันอยู่ที่เรามีสิทธิได้ ให้โขไม่สุดทิให้ทาให้ผิดนี่คือชีวิตถ้าใครมีชีวิตแบบนี้ทำได้แบบนี้เรียกว่าชีวิตถ้าใครปล่อยตอนนี้จะว่าไ ม, ไม่ไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตเลยชีวิตสุกสกุทุกทุ ก, ทกนั่นไม่ใช่ชีวิตดีใจเสียใจนั่นไม่ใช่ชีวิต ขึ้นฐานอยู่ตรงนี้นี่เองใครเห็นสู่ขเหนทุกข์ไม่กระโดดไปตามสุกตามทุกข์ไม่เอาสุกไปทุกข์เป็นตัวกันตนนั่นแหละคือชีวิตชีวิตแบบนี้ไม่แก็ไม่เจ็บ ไ, ไ, ไม่ตายกับบลายล่ไม่จะเป็นเวทนาเจ็บไข่ไะะเรียบผุยฉลาแฉะเท่ามันก็ไม่ใช่ ชีวิตชีวิตคือมันไม่เป็นไปกับมาการต่างๆที่เกิดจากกายจากใจมันเหนือแล้วมันไปทางนี้นะนิพานอยู่โดยชอบคืออยู่แบบนี้ไม่ใช่อยู่สุก โ, โตนะไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไหนวังไหนอยู่โดยชอบจอยู่ <c oughs> <c oughs> อยู่กับสติพระเจ้าสอนสุพัทธะสะเกเมสุพัทเทสุพัทธะสะเกเมสุพัทธะภิกขุสัมมาบรหิยยงอสุพิญญโโลกโอหันเทหิอจ่า สุพทัทธะเมื่อเธอจุนโชคโลกจะไม่ว่างจากป ะ, ะหรหันนานในปะในปะนิพพานโสดก่อนที่พระองค์จะเข้าสู่ปะนิพพานเป็นคำตัดข้างสุดท้ายสุพทัทธะปริภาชกเป็นสาวกคนสุดท้ายสาวกคนแรกคือใคร ออะล่ ะ, ละถ้าไหนคำถามไว้ตอบให้ได้จำได้บ้างคนแรกคืออัญญาโกฏัญญาสุดท้ายคืออุปสุภธทะปริภาโชคจำไปเด้อเอาไปเป็นตัวอย่างเมื่อมาสอนตัวเรา จะประจําแต่ความเมตตาสังเสริญจะมออารมฉกเวทนาทุกเวทนาเหลวไหลเคยเจ็บเจ็บตายนั่นอยู่ในกระเป๋าเราพับใส่กระเป๋าธรรมะเนี่ยง่ายพระหลงพลังเรียบร้อยอยู่ที่ไหนก็กายเรียบร้อยใจเรียบร้อยเป็นระเบียบถ้าไม่มีธรรมะ ชุ่งเฉลิงสอบสนวุ่นวายทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราจึงมาปฏิบัติธรรมนี้แม้การเวลาที่มันผ่านไปแล้วก็เสียเวลาที่ผ่านไปนี้ให้ชั่วไมิจำนาญในการนี้แก่วันแก่คืนไป อันคืนล่วงไปล่วงไปแล้วก็อยู่ในสภาพนี้ไม่ไม่เปลี่ยนไปตามวันตามเวลามันอยู่ที่คงเช่นคงว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะ่ะแม่พารสาที่ออกไปวันนี้ก่นแนเลมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอด็ดพิกโจก็หาผ้า บางสกุลมาทำจีวรผ้ามันขาดใช่มามใช่มาช่วงฤดูฝนมีผ้าสามเผินบางทีมันเปียกนุ่งผ้าเปียกไม่กี่ชั่วโมงเช่นเดินทางถ้านุ่งผ้าเปียกขาดแล้วไ <c oughs> ด้าด่ายอมเขาก็ถอดออก หรือเหนบเตี้ย e วว่าให้มันบาดขาแต่เราเนบเตี้ย e วไว้ได้นะตั้งนุ่งให้เป็นป่าลี่หมุนทนอยู่ตลอดเวลาแต่แป้ น, นุ่งเนบเตี้ยวหวันชาวบานมันก็ไม่น่าการเก่งในก็ไม่มีต้องเป็นปาลี่มุนทนครึ่งแข้งครึ่งเข่าระหว่างแข้งกับผ้ามันสีกันเดินไปเดินมา ลอตาเดินจากบ้านบ้า น, นหนองผีพ้วนมาถึงสุโกโตเนี่ยแค่นี่็ขาดแล้วมันลุยน้ำถ้าก็เลยเปียกก็นุองมาขาดแล้วถ้าจึงไปจะวังหาผ้ากีวอนกันในช่วงหดือผฝน ต่างคนต่างไปตามป่าชาภีดิบ ป, ป่าชาภีดิบมีนะในประเทศอินเดียเอาหอผ้าหอ่อศพไปทิ้งน่ก็ผีขาวๆทุกวันก็ยังมีนะไปะที่อินเดียเวลาเขา เอาจบคนตายไปทิ้งเขาไม่มีไม้ทําหีบศพเหมือนบานเราเอาผ้าหอ่หอห่อพันไปแล้วก็แบกเอาเอเยเอเ ย, เอเยไปสองคนคนต้องแบกทางหัวคนต้องแบกทางขาเอเยเอเยเอเยันเดีเเยวขึ้นหลังคารถใต้ไม่รถยน เราไปเท่งปา่าช้าเราพาไปก็ไ ป, ปักบังสุกุลซักบังสุกุลโห่ศพซักเาเนี่ยเราซักบางสุกุลการห่ศพของเานะ่ามันไม่ใช่จีบอาหาเราลนะ่ะไม่ใช่อของเขามันจีบงาหารเรามันจีบกันไปเนี่ยก็ทุกข์ จิ้งมาเนี่ยมันจิ้งวิธีห่อเขาไม่ใช่จิ้งไปทางเดียวนะยิ่งก็มาจิ้งกัไปจิ่งก็มาจิ้งก็ไปศพจิ้งไปจิ้งมาจิ้งไปจิ้งมาดังไงจิงลูกหลองตาเคยไปห่อศพเขาไปถายมีรถไฟกับอาจารย์ประสานใครๆแล้วเขียนป้ายไว้ศพนี้ยังไม่มีผ้าห่อ ไปพากันบริจาคถ้าหอ่อจบหอก็ไปเห็นเขาหอกเสียงมาเ <laughs> สียงมตามไปใช่ไมาบางสกุลก็ซักเอาอันิจจาว่าสังฆาราภาอนี้มันมีเจ้าของอามาก็มาซักซักเราก็มาเอาตรงที่มันไม่เพื่อนหนองเพื่อนเลือด ตัดเอาต้งไหนมันเพื่อนมากมันก็เช็คไ้ออกก็ไปเจ็บจีบบอลเป็นปะเป็นลอยนะก็จะได้ผื่นหนังก็นานมากันต่อมาคนก็เห็นพระไปซั ก, กบางกนแบบนั้นลำบากเลยผ้าไปทิ้งไว้ในปา่าผ้าเก็บตนไม้ไว้ ก็ไม่ไปเห็นก็ไม่กล้าเอาสองวันสามวันไม่กล้าเอาเห็นนานแล้วจนเกียกข่ีฝุ่นจนเกิดเป็นบ้าผ้าเปื้อนผุ่นแสดงว่าไม่มีเจ้าของอันละมงสคลผ้าเปื้อนฝุ่นป้าเปื้อนเลือดเปื่อนหนองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหาจากนั้นไม่เจ้าภาพวันที่สิบ ตุลาเนี่ยก็จะมีเจ้าภาพมาทอากระถินเราไม่ต้องไปเสว่งให้ใหญ่พระสงต้องผปรงตรงอยู่เพอ่าอนุชนาเจ้าภาพร่วมกันแม่ชีด้วยอย่าเพิ่งไปไหนเรียกว่าไม่ลำบากใครเป็นคนทำอย่างนี้เป็นคนแรก อ๋อใครเป็นคนแรกที่ทำเอาผ้ากรถิ่นมาให้นางวิสาขาอนะกรถินแต่ว่าไม่สะดึงรู้จักไม่สะดึงไหมทำไมาไม่โล่ไม่เคยใช่ใช่ไม่เคยเย็บผ้าเหรอม่เคยปักผ้าเหรอตอนเดินเวลาเราเย็บผ้าทําไง เอาไม้แสดงมาถึงว่าให้มันตึงเตึงแล้วก็เย็บเย็บขึ้นเย็บลงเย็บขึ้นลงทุกวันแม่นมีจักรใช่ไหมมนเลยไม่มีรู้จักไม่สะดึงอะจากหวานนนก่อนชาวบ้านเขาทอหูกมีรู้จักไม่สะดึงไว้ลาทอผ้าเพื่อตึงอ่ะมันไม่สะดงล่ะไม่ไม่ผังเลย เอากรหิหงแขนด้วยติ้งลิงติ้งลิองอ๋อเดี๋ยวนี้มันมีแล้วก่อนเลยค่อยไม่ค่อยรู้จักอัฐมาหนะ่อยสด็งเอาถึงมาเย็บไม่เย็บผ้าก็ เ, าเลยมาเรียกว่าเป็นผ้ากรถิ่นมาจากกำว่ า, าสด็งเย็บผ้ามันตัดมาเป็นมันตัดมาเป็นผ้าเป็นเข้มยิ่นก็มา ถึงก็เย็บต่อกันต้องช่วยกันนะว่าจะได้จีบอลผืนหนังต้องใช่สงหร้อหลายคนมาเย็บเย็บแ ล, แ, ลยยแล้วก็ต้องซักซักแล้วไปย้อมไปย้อมเราก็ตากแข้งเอาไปให้เอาไ ว, ว้พระเรื่อารมใดผ้าขาดต้องช่วยกันเรียกว่าสามัคคีเกิดขึ้นเวลาทํากรถิน่นเพราะต้องช่วยกัน เดีย๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปเย็บแล้วสำเร็จโลกมาอนุญาตแล้วเพราะ น, น่า <c> ไ <oughs> เราจึงไม่ต้องไปไหนอยู่นี่ก่อนออกวรญษาแล้วอะามโทากะวะถินอ่าอัาางวันเตะกัทิ่ะจดสังกัทิณะเตมิโกคันนัาโลอ่านัวทามะ ต้องเรียนไว้นะพระ่แหลาพระอุปโลกอุปโลกไ็แล้วว่าอุปโลกคือเป็นกลางจะยกให้ใครพระปกติเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับรอยหมาในท่าอากาศตกลงในท่ามกลางสงจะได้เฉพาะเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้ต้องให้เป็นไปตามพุทธปัญญัติ ให้โสนนักปองจะให้แก่ใครเจ้าให้แก่รูปนั่นเถิดเจ้ามีอุปโลกน้อง้ก็บอกเข้าเจ้าเห็นว่าปะพิกจูโร่นั่นสมควรที่จะเอ็นพัวรับผ้ากระถิ่นทําไมเพราะมีผ้าขาดผ้าขาดผ้าเก่ามองกันก็เห็นใครมีผ้าขาดมองเห็น ก็เหลือพระผู้ใหญ่พระเถระหัวหน้าจึงตัดสินว่าข้าวเจ้าเห็นนักควรจะพระภิกษุรูปนั้นถ้าสงทั้งหลายเห็นไม่จงควรถักทวงขึ้นต่อท่ามกลางสงนั่มีใครทักทวงถ้าเห็นทุกวันรลอ่อนงัวตามฟ้องกันสาธุฟ้องกัน ยกให้ไปนี่สงยก้าแล้วก็ต้องไปสวดแล้วก็อานุชาลาอะไรยกผ้ายกผ้าเยวอขึ้นเอจนาจิเวเฟนเตกเนตะุสังกเนตธรรมโกกเนตทาโลอันโงทามายกเกยกเกอนุโชาา ไม่มีใครไปเสด็จเรื่อเห็นดีด้วยเห็นดีด้วยเห็นอ น, นุชาณาอนุชาณะยกผ้าไปยกผ้าไปแล้วพระคู้พระโลกก็ยกผ้านั้นถาวายท่านไปต่านกับพินทุกิมังพิณทุกัมบังกะโรเมกิมังยกิวหลังอาทิตถาเมเขียนชื่อชายานะถ้าไปเขียนเป็นปจุดๆอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกัน แล้วนี่เขานิยมเขียนฉายาจากแลก็เขียนก็สุวรรณโนฉายาเขียนไว้ทาไมจึงเขียนถ้าไม่พิทุถ้าไม่พิทุทำไมอันโฉมทะเลาะ ก, กันผ้าเหนกันมันหลงตากไว้แล้วตากไว้แล้วไม่ลงย่อมไม่ลงตากตากผ้าไว้เวลาพระลบนําไปเอาเอาผิดผืนหน่อพระลหลังไปหาไม่เห็น อะไรผ้าของเราเลยมาตื่นนี่ผ้าผมไม่ใช่นี่ของผม้าเลากันขึ้นมาก็ไม่ดีก็เกิดเรื่องให้คนหนึง่งตัดเชินว่ากายยาวขนไดพระเจ้าเองบัญญัติขึ้นมาให้พินทุชื่อลวงปู่อาจารย์ผู้รับการถิ่นก็เป็นโุเอียเอ้ยมเียวหลังเอาวินจกีวย อธทิตถามิยกขึ้นใจเอาผ้าผืนนี้เป็นเกี่ยวรอ็มังสังฆาติยอธิตถาหมิเขียนเรื่องไว้ข้าวเจ้าเอาผ้าผืนนี้เป็นสังฆาติผ้าดบ้างีอมังอันตวัสกังอธิธาห์มิข้าวเจ้าเจ้าผ้าผืนนี้เป็นผ้านุ่งนอกจากนั้นเป็นผ้านอกอธิฐานเก็บไว้ไม่ได้ เอาป้อนเงอะใหะเรียกว่าเรียกว่าพินเรียกว่าวิกลับวิกลับคือแผนของสงไปดูชีเต็มตู้อยูพระสงฆ์ไมเ่เอาเอาแช่สามเปิดเอาวิกลับไปใครมีผ้าคาก็เปาเท่านั้นไปเบิกของมีเจ้าดิการเบริกของหนะ้าจะเอา จะสีฝันจ้าสบูเจาพีวบนเจ้ า, จ อ, จาอะไรต่างๆเป็นของกลางเรียกว่าภาษาคนชาวบ้านว่าสักหกรถ้าเป็นของสองว่าวิกลับเก็บไว้เป็นส่วนกลางนี่ระกระถินนั่นนั่นพระไม่ต้องไปวันที่สิบจะมเมเจ้าภ้ามาท่อกระทินที่วัดเรา อันนี้เป็นประเพณีมาหลายปีมาแล้วไม่ได้ลบอาทิตย์แรกของการออกพรรษาเป็นวันทอดเสงมาทุกปีวัดนี้ไม่ได้ลบพื้นป้ายไปตลอดต่อจบแล้วก็มีคนจองไปเรื่อยๆไปพวกเราจงไม่ต้องไปเสรยงหาที่ใดพรกหลับผ้ากรถิ่นผ้ากีวรผ้าสังฆาติถ้าหมอนเก่ามากก็เปลี่ยนได้ มันควรจะขาดก็เปลี่ยนได้สำหรับไหวบวชแนนภาครุร้อนทนี่เราก็บวชแนนภาคร้อนทุกปีก็อนจึงปฏิบัติธรรมดีกว่าแม่จบากังสาไปแล้วก็เป็นพุทธบัญญัติเป็นพุทธบัญญัติเป็นอ่าไม่ใช่อ่าไม่ใช่อภิาชฌอาจารย์ต้อง อธิษฐานเข้าวันษาอยู่ที่ใดเมื่อออกวันษาต้องปวารณาอธิษฐานต้องอยู่ในในวัดนั้นเอมังอธิษฐานนางเอ็มจําไม่ได้อธิษฐานาจำไม่ได้ไได <c oughs> ถ้าออกวันษาไปปรนน่าไปไหนก็ได้ก่อนออกวันษา เจ็วันไปก่อนได้ปะวัณนาข้างหน้าได้ถ้าหลังจ้าวันสาร์หรือเจ็ดวันไปได้ปะวัณนาหน้าได้ถ้ารีบด่วนถ้าไม่รีบด่วก็อยากทั้งไปได้ด่วนก็ไปได้อาญาตไปได้เหมือ น, นเราประวัณนาเมื่อวันเน่ยไปประวัณาหน้าได้ถือว่าวัดไดมีอาศีมาวัดเราไม่มี ไม่มีวิสุงขามสีมาแต่เป็นสีมาถูกต้องตามไ้ไหนสีมาในหมายถึงไม่ไม่วมิสุงขามสีมาแต่นี้ต้องมีวิสุงขามสีมาจเจ้าแผ่นดินอนยญาตให้จังวัดโพธขอทองเนะ่เพราะเจ้าแผ่นดินอนายญาตให้แต่ของเป็นวัดถูกต้องตามคนหมายวัดเราไม่มีวิสุงขามสีมาแต่มีสีมา สีมานี่มาจากคำว่าอะไรมาจากคำว่าสิมแต่ก่อนละเยินไหมคาว่าสิมเนไม่มีคำว่าสีมานะสิมก็คือสิมนั่นแหละคือสิมน้ำเนี่ยสิม์สม์สมไปไหนสิม์นสิมสิมนี่คำว่าสิมมาจากคำว่าสีมาคือสิมสิมาสีมาแล้วก็มีสิมน้ำ เาก็ลอยเรียกเพี้นยนๆไปสาลาน้ําอาจจะไม่ถูกต้องนะต่างที่ว่าชิมน้ําาล่าน้ำไม่ใช่สาลาเป็นสิ่งที่สังตําสังกรรมองสงเราก็ไปพรนานกันวันเนี้เรีย่ยวลอยป้สองป๋องก อ, อ ก, ออ ก, กอดคอกันเลยไอ้ขี้กอดคอกันไหมกอดคอกันเลยว่าเราเป็นแผ่นทองเดียวกัน วันมิตรภาพเกิดขึ้นแล้วแจ๋เรามิตรภาพเกิดขึ้นแล้วสามัคคีเกิดขึ้นแล้วความร่อยทั้งหลายอยู่ด้วยกันมาดีขึ้นแล้วเยี่ยวยากันแล้วเป็นอันเดียวกันเปลี่ยนมาหมดเยี่ยวยาหมดวัดจุโกโตเราใครทะเลาะกันก็ดีขึ้นแล้วนะบัดเนี้ยไม่มีรอยแล้วเหมือนกับน้ําไม่มีรอยแล้วยอดจบมากเกินเด้อ ถ้อทยกโกรธใครบ้านใหม่โกรธใครในโลกไหนค่อยถ้ายกเปรมนะี่ยโกรธใครวันนี้ต้องไม่งโกรธแล้วนะหรือถ้ามีกันเลขโทรไปก็โทรไปเลยเอาเลิกกันแล้วนะอย่ากโกรกันนะเป่าละนาแล้วคืนดีกันแล้วนะที่เราผูกโกดกันมาหลายปีหลายเดือนแล้วัวนนี้ดีแล้วนะโทรไปบอกเขาไม่มีแล้วในใจเรา พอไปไม่เปเพื่อนโทรไปมี ไ, ปป ไ, มไหมไมื่อกี้โกรธใครนะไม่มีโทรก็ทำในใจล้างออกปะปร น, นาคืนดีกันวันคืนดีกันสู่คุณแตภาพสนที่สัญญากันพระสงทงังปวงด่ากันได้บอกกันแล้วอยา่าโกรธกันนะเถือดกันได้นะ จะไม่กลก่อนให้บอกก่อนได้ทุกคนเนะได้มั้ยต้องพ่อด่าพ่อจะยกได้ไหมนะมอ่าด่าไม่ออกได้ไมั้ยแบบนี้ไม่ดีน ะ, ะ ด, าะดาะ่าได้ญาติโยมได้เคยเคยปรนน่ะเป็นส่วนรวมนะจะไม่อยู่ถ้ามาไฟหวานก็ว่า ก่อนก็ว่าได้ว่าบหมผู้วัานไะฮะปด้ว่าไหมโอ้เปวนาหึวงพาว่าอ่า <c oughs> สังคมเตมาาลีมิทิเทนะว่าชุเตรหลงพ่อพาว่าใช่ไหมฮะแนวอย่าขืนคำนะตัดสินใจแล้วนะออกไปทางวาจาแล้วต้องต้องซื่อสัตว์ต่อกันนะให้ด่ากันได้ เราที่อยู่โชกุโตอยู่ว่าไหนบ้างล่ะหน้ตาก็ฝาชาวบ้านเท่าไปหวานว่ากันหมดบ้านเลยวันออกพัรษาทนะุกวันก็เต็มตลาแเลยงานเราก็เต็มตลาดลยน้มหมดก่อนลเลยเต้บาดเทวโอตัเต้าเราหลานหมดหลังตาประกาศตอนทาบัตรที่เดไปก็เปประกาศ ไอ้แต่งตัวดีเมืองสวรรค์ก็ไม่แต่งตัว mm hmm. สั้นกว่าเชี่ยมนะเมืองสวรรค์เขาลุ่มผ้างามๆนะใอ้ลูกไม่หลานเรามาขึ้นสวรรค์กัมากันหมดเลดเออเอาลูกเต่ามายืนข้างๆเจ็บข้าวให้ลูกใส่บาทรนะแถวแถวหลอนวัดก้องว่องไต่ไปหมดเลยว <laughs> ่าสงหลงจาก กูโหทองเหมืองเหมืองตะกะเหมือนเหมืองสังกจัจจนครเห็นไหมสังกัจจนาคอนอ่ะที่ใกล้ๆกับสาวัตถีนอนตาเคไปขึ้นเขาลูกเนี่ยสูงพอสมควรนะขึ้นบปเนี่สังกัจจนาคอนพระเจ้ามาสู่จอกไปโปรดมารดาเมืองมามาตรงนี้ลงตรงนี้เปิดโลกตรงนี้กัน มันก็ไปต้อนรับพระพุทธเจ้าเสร็จลงมาจากดาวดึงมาสู่มรดุสโลกพ่อเจ้าเปิดโลกแต่วันเมื่อวานนะตักบาตเทโววันบอกให้ลูกให้หลานพ่อแม่มายืนเชียงข้างกันใส่บาตรตักบาตเทโวนะมากันหมดทุกคนออกวัดเราถ่ายหลัง ไ, ได้ก็ดีไม่ขี้น้อยได้จะไปถ่ายมาถ่ายสองตายู่แน่ ไฟถ่ายไม่โดูเจ็บไปไปกระล้องพ่อใหญ่ครับพกกม น, นี่แหละเมืองสวรรค์เขายืนอย่างนี้แต่งตัวน่ะแต่งกันต่างคนแต่งตัวมาเต็มที่สวยงามมากบางทีอยากจะมองหน้าเขาก็ไม่กล้ามองหน้าบินธวัฒนอะไรมันแต่งตัวเรียบล <laughs> ก็ไม่กลมองหน้าเขาเป็นใครนะก็สร้างวาวุานา่นวายนี่จะเบือจนเหน่ยนะกาันโอบานะนั่นเเจ้าก็าาาด่าโยมก็เตือนกับโยมอเตือนก็ได้นะต่อไปใครกินเล่าเตือนได้นะถ้าเตื อ, ไ <c oughs> ไ น, อ น, นได้านยะท่วมงสา เธอถกินเ ล, านลนา่ามาวัดกินเล่าในวัดวาทำมามาลงกันว่าให้หลองอยเขียนได้เขียนนะเคียนได้เอาไปมาท่ใหญ่เลีงู้จักรพอยเลีงบาพลอยเลี้ยงก็ใหญ่ลิงนะก็เกมรู้จักมนาะบ้านไตรทองกินเล่าแจง อ่อนท่อกระถินหลวงตาสอนเด็กน้อยอยู่อันุบาเลเดินมาเดินขี้มืออยู่เมาล้มมาขี้มือมาทางหลวงตาอาจจะมาท่าทายเราก็ได้ข <c oughs> ี้มือกับเราเคืเคยจะมาเจาะเย อ, อยหรือมาแบบประสาคนเมาเนาะ ล้างตาก็เดียกขึ้งนมาอั <c oughs> นนี้มานี่ยยืนล้างตากำลังสอนเด็กอยู่ฉลาเอ็นเธอามาอาันานี้มานี่ไหม <c oughs> นาคใครมาขึ้นมาฉลาให้นั่งกราบตรงกราบเมาส <c oughs> เออเขาเลยบอกว่าทำมาอเราได้สัญญากันได้ว่า จะไม่กินเหล้าเ อ, อยายามาวัดมาว่ า, าแตไมจึงมาเมาเ ม, ม, มาเมายาเหยื่อเนะยเคยได้ยินไหมเคยเคยหลวงพ่อเคยสัญยาไหมเคยสัญญาได้ทำงานเมือมอ่อเมาอะไรเงีเออหลวงพ่อสัญยาไว้ให้หลวงพ่อเคี่ยนใช่ไหมใช่จะใเคี่ยนไหมให้เคี่ยนไปเอาไม้เรียวมา ไปหาไม่เหลียวมาเอาไม่เหลียวนน้อยแค่นี้อ่ะไม่เอาให้เอาเอาใหม่แล้วมาเออเอาไม่เหลียวก็ยาเอนกันพอเช่นกก็นอนเธอนอนเมบลงนอนเมบลงก็นอนเมบลงเชิงไปแต่สานทีนะ ที่แรกว่าให้เก็นเท่าไหร่ทีเดียวข้างเดียวไม่พออย่างน้อยต้องสิบครั้งเพราะผิดสัญจากันแล้วอ้อสองครั้งนะขอเลยขอสามครั้งตีขาลงไปตีขาลงไปตีขาแล้วก็อย่าไปอยาไ ป, าไปเอายาหม่องมาทาให้อืมทาขาก็ตีแรงไปทุกคนนะ <laughs> ขาขายอ่าแล้วก็ไอ้กาบพระกาพร ะ, ะแล้วก็กาถินแล้วใหม่ๆยังมีต้นอ้อยโขกอยู่ชลาหลายหลายลำยังมีอะไรเลยเลยเอาอ้อยเอาแบกอ้อยไปไปแจ ก, กลูกแจกหลาน จะบอสมาท่ายักให้แบก น, นี่ก็อันนี้ก็เขยเขียนนะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าเมาเหล้าในวัดผูกขอทองนะนะเตือนทุกคนเถอะประวารณาเนยมันดีนะ ต, นต่อไปนี้เราจะไม่โกรธไม่เคืองกันเตือนกันได้นะตลอดชีวิตเลยปะวารณาแนวต้าเกตักเตือนกันไ ปีหน้าอีกทำใหม่เตานายเพื่ออุ่นเครื่องไว้ตู้บวชหม่ก็จะได้รู้จักธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าพุทธบัญญัติเราได้ทำไปแล้วพระจงนปงุปงกอดคอดคนละเะว่อานนี้นตงตางก็ชื่นใจเป็นความสุขของหลวงตาใจใจองหลวงที่มีเพื่อนพระนุ่มๆร่วมสมคีด้วยกัน นะทำวิไหนนี่ดีนะพุทธบัญญัติแม้แต่กดบายก็ออกจากพุทธบัญญัติเองออกจากวิไนแล้วเกิดมาตั้งสองครันกว่าปีแล้วยังใช่ไดนะ้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงตะล้างก็วมาจะเพิ่มก็ไม่ได้วิไหนบัญญัติเป็นพุทธบัญญัติไม่ปฏิวัติไม่ได้วิไนคืออะไร วินายะวินาศจิตสิกิตโอสุภาจิตาเอตา ม, มังคเครวุตังเป็นมงคลอนะุูงสุดวินายคือวิวิเศษวิเมาจากควาวิเศษวิเบวาระก็ได้นายะนาไปสู่การวิเศษสู่ความดีอันวิเศษนายะนาไปสู่ความดีวิเศษ ปีในบัญญัติบัญญัติเพื่อไปสู่ความดีอันวิเศษให้สมามัคคีกันตามทัศไม่ไหนของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติเป็นพุทธบัญญัติเป็นแบบฉบับไม่ใช่แบบแผนเหมือนแปลนบ้านแปลนบ้านเอาแบบไหนก็ได้เขียนแล้วแต่ใครจะเขียนแต่พุทธบัญญัติอันเดียวเป็นแบบฉบับไม่ใช่แปลนเป็นแบบฉบับที่ปฏิบัติ ได้กับทุกชีวิตเลยถ้าต้องการความดีถึงมรึงถึงผลได้เราจะมาศึกษาทำไม่ไหนถ้าเราศึกษาทำไหนอยู่อยู่ได้ชอบแล้วโลกเก่าไม่ว่างจากปัจจังันฑ์แต่เจเมุวัตเทภิกขุสัมมาภิหขาละยงอโศนโยโลโกหันติหัสสะสุขธา เมื่อเธออยู่ได้ชอบเคย อ, อยู่ได้เรียบ ไ, ได้ยด้โดกจะไม่ว่างจากประหารวิไนเลยระเบียบธรรมพุทธบัญญัติเป็นสิ่งที่ไปสู่มรรคผลนิพพานวิไนบัญญัติทำไม่ไนพระเจ้าฝากไปว่าอาอน้นถามอาอน้นถาม พุทธเจ้าปฏิพานไปแล้วจะตั้งให้ใครเป็นประธานสงฆ์พระเจ้าไม่ไม่ตั้งใครเอาวินัยน่ะพะทุทธธรรมวินัยเป็นประธานสงฆ์ไม่เป็นประธานสงฆ์ไม่พิสูจนั้งหลายในสี่ตั้งหลายญาติโยมตั้งหลายเคารพระเบียบเปไน็นัยนันถูกต้องโดยส่วนร้อยไม่ใช่เหมือนกับ ที่เบียดนที่เบตนี่เขาเลือกไว้แล้วจากคนระบาดเนี่ยเขาเลือกมาเลือกมาเลือกมาแล้วนี้ก็มีเลือกกันไว้หนุ่มๆขึ้นมาสซมไปเลือกลักษณะอะไรเขาเลือกมาอาจจะมีประวัติอะไรมาเลือกมาเลือกมารูปร่างลักษณะรูปร่างลนะักษณะ ก็เลือกมีสีเสอยังไงใบหูยังไงถ้าจะเนื้อเมือ่อเนื้อเท่าไหนเขาเลือกไปแล้วต้นตาจะไปไปดูภาพเขาเดี๋ยวนี้เขาเลือกขึ้นมาแทนตรงคลาลมะเพื่อจะเสิบต่อองค์ได้ลารัมะต่อไปหนุ่มหนุ่มต้นตาไปไปถามไปถามพระว่เ า, าเอ๊ะที่เบียดเขา ทำไมจึงฝึกญาตโมพุทธวิชัดได้ดีกว่าบางไทยเพราะเขาเกิดจากองค์อลรารามาแต่องครารามะที่หมดไปแล้วอะไรที่มี เ, เา่าบอ ก, เ ก, เกเ็เลือกไปแล้วเขาลูบไปดูก็เป็นพระนมนมเลิกไปแล้วเพื่อเป็นผู้นำของสงฆ์ประมุขของสงฆ์อันนั้นเป็นสมมติบัญญัต เหมือนสมเด็จสังฆราช <c oughs> ก็เปลี่ยนกันมาเดีย๋ยวนี้ก็วันนี้วันเมื่อวานนี้เป็นวันพระชนผชุพันศาสมเด็จพระสังฆราชให้วัดทวัดอ่าจัดทัชเชเดอร์พระชนผันศาสมเด็จสังฆราชเก้าสิบกว่าปีเก้าสิบกว่าปีให้ทวัดจัดแสดงธรรมะได้นาจัดปฏิบัติธรรม วัดเรานี่ก็เป็นสากลอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องว่าให้จัดธรรมเทศนาเทศทุกวันใช่ไหม <laughs> ปฏิบัติกันทุกวันปฏิบัติกันทุกวันถ้าจัดจิตกรรมก็จัดจิตกรรมทุกเตือน <c oughs> ไม่มียกเว้นเดอนที่สามที่ผ่านมาลอนตาไปไประชมสางานหลวงพ่อเทียน ทั้งหลายเอาวันจะเอาวันไหนบาลลงเปิดกรรมาฐานในปีห้าสามเรียงลาดับวันนั่นเอาวันนั่นถึงวันนั่นวันนั่นวัน น, นั้นเรนื่องลบดีานอำเภอเน่แต่จะถึงเดือนปึกสภาแต่วัชกโตเอาลงวันไหนน้องตาก็ไหวน่าให้เป็นเลยใช่ไหมไม่รู้จะลงได้ที่ไหน มันเป็นมาแล้วแล้วก็ไปข้างหน้านแล้วงานมันเดินไปแล้วงานเดินแบมันเดินมาแล้วทุกเดือนเราไว้สองข้างด้วยเดือนหนึ่งไว้สองข้างจะไปลงกับใครได้ไปเอาใบนงานไปให้เขาเลยเหลือแล้วขอเขาก็ข อ, ข อ, ข อ, ข อ, ขอลงว่าเก็บอาลงเชื่อมสี่เจวันขอลงทิ้งอีกสี่สามอีกอันที่จีบเพื่กสภา ถึงวันที่สามสิบมิถุนาลป่าแม่ไม่มีใครบังหลวงเราก็หลงของเราเองอยู่ที่นี่เป็นอย่างไในทางการสงประกาศให้จัดวันเฉลิมพระชนม์วัษาชลเดชังคราชวันที่หนึง่งวันที่สองที่สามเราก็จัดเแล้วลมไม่ต้องประกาศอันเป็นอัตลอ ม, มัติของเราเองอยู่แล้วทุกคนอยู่ที่นี่ มีแต่นักปฏิบัติบางคนก็ไม่กินข้าวกินน้ำบางคนก็ฝนตกก็กลางร่มเดินกันเดินแข่งฝนกันน่าชื่ในใจอะก็เนี่เราอย่างนี่แหละอยู่โดยชอบเพื่อมีสติแล้วเราสัมผัสยังชอบเห็นกายสักว่ากายชอบแล้ว ไม่ใช่บอกกันไม่ใช่ตำร า, าเห็นกายสะว่ากายอันที่เกิดกับกายไม่เป็นตัวเปนตนนอนหอยู่ดุดจชอบเห็นเวทนา <c oughs> จะว่าเวทนาไอายชาติบุคคลนอนหลยู่ดุดจชอบไม่ใช่อยู่สกุโตไม่ใช่อยู่ประเทศใดบ้านไดเมืองไหนอยู่ในนี้อยู่ในเนี้ ใช่ลองไปใช่ลองไปใช่ความชอบมันเป็นอะไรให้รูกเห็นนานอย่าเป็นประกามอาการต่างๆเกิดกับ้ากับใจแม้นว่าอภิธรรมจะพูดว่ากิจเจตสิกรูปนิพพานปรมัตถะสภาวะธรรมสอยา่างกิจเจตสิกรูปคือนิพพานเป็นจูดแล้วก็เห็นแจ้งนะ่ะเห็นกาย เห็นลูกเห็นนามเห็นเิตสิ่งที่เกิดกิดว่าเกิดจะสิกเกิดอะไรก็ได้เกิด น, นิพพานก็ได้เกิดอะไรก็ได้เราจึงมีความอยู่โดยชอบนะอะไรเราก็ปรองดากันแล้วก็บอกกันหมดเราก็เห็นกันหมดเห็นไหมเห็นกายไหม เห็นเวทนาไหมเห็นจิตไหมไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ต้องบอกจิตมันเป็นไงไมันคิดอารมณ์ี่มัเกิดกับความคิดมีอะไรบ้างความโกรธความโลภความหลงสุกทุกข์วิเลตหาลาค้ามันก็โดดกระโดดอยู่เลยสังขารมขยันสังขารมขยันขยันปวงโศกทุกข์ ก็เห oh, oh, ็นแล้วไม่กระโดดไปตามมาดูแจ้งเห็นแล้วเห็นแล้วอญญาสิอัญญาสิเห oh ็นแล้วเป็นอัญญาสิทุกคนไม่มีใครไม่เห็นอย่าเอาอัญญาสิเป็นของคนทัญญานะให้เป็นของเนูทุกคนคนโบราณก็ยังเรียกค่ะว่าอญยาอนยาน้าหน้าอาจจรย์นะ เกิดมาได้ยินแล้วว่าอัญญาอัญญาพึ่งมารู้เดี๋ยวนี้ว่าอัญญาสิคือรู้แล้วเป็นคนรู้แล้วรู้ว่ากายสภาวะกายเวท น, นาสภาวะเวทนามันก็จบไปแล้วจบไปแล้วสำหรับวันนี้ก็สมควรเจรจาพ่อเสียนแม่ศสียนผ่ากันสมาทานเสียนวันหนึ่งคืนหนึ่งพอดีแล้วระหว่างก็สมาทานช่วงนี้วันนี้ก็ ก็จะมาทานย้อนนเกินนี่ไปได้จะหลอกเลยเกินนี่ต้องจะมาทานใหม่นะว่าวันหนึ่งเกินหนั่งแล้วราน